ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาตหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตกถาแปลเรื่องที่สามเทสัชาดิกรณะวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการทำเทสั์และพระปริในอัตกถาสมันตปาสาธิกาทาติยะปาราชิก ในการทำยาทําพระปริศและการปฏริสันทารทั้งหลายพึงทราบวินิจฉัยเรื่องการทำยาก่อนภิกษุไม่ควรทําเภสัชแก่ชนอื่นทุกคนที่มาถึงเมื่อกระทําต้องอาบัตทุกกฎอันหนึ่งภิกษุควรทํำยาแก่สหธรรมนิกทั้งห้าคือภิกษุภิกษุณีสิกขามานาสมเนมสมเนรี จึงอยู่สหธรรมิกทั้งห้าเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาและปัญญาเสมอกันทั้งประกอบในไตรสิกขาด้วยภิกษุจะไม่ทําเทปัตดให้ย่อมไม่ได้และเมื่อจะทําหากสิ่งของของสหธรรมิกเหล่านั้นมีอยู่พึงถือเอาสิ่งของของสหธรรมิกเหล่านั้นปรุงให้ถ้าไม่มีควรเอาของของตนทําให้ ถ้าแม้ของของตนก็ไม่มีพึงแสวงหาด้วยพิฆขาจารวัตหรือจากที่แห่งญาติและคนปรวรณาของตนเมื่อไม่ได้ควรนาสิ่งของมาทำให้แม้ด้วยอากตศวิญญาตคือขอกับผู้ที่ไม่ได้ปรวรณาไว้เพื่อประโยชน์แก่คนไข้ก็ไม่มีโทษควรทำยาให้แก่คนห้าจำพวกแม้อื่นอีกคือ หนึ่งมารดาสองบิดาสาคนบำรุง ม, ม, มารดาบิดาสวิยาวจกรของตนห้าปันดุปัลล่ายังอยู่ในวิหารตลอดกาลที่ยังตระเตรียมบาทและจีวรปันดุปัลล่าก็คือคนที่มุ่งบรรพชาบรรดาชนห้าจำพวกเหล่านั้นถ้ามารดาและบิดาเป็นใหญ่ไม่หวังตอบแทนไซ จะไม่ทำให้ก็ควรแต่ถ้าท่านทั้งสองดำรงอยู่ในราชสมบัติยังหวังตอบแทนอยู่จะไม่ทำไม่ควรเมื่อท่านทั้งสองหวังเพศั์ควรให้เพสัชเมื่อท่านทั้งสองไม่รู้วิธีประกอบยาควรประกอบยาให้ควรแสวงหาเพสัชเพื่อประโยชน์แต่ชนห้าจำพวกมีมารดาเป็นต้นแม้ทั้งหมดโดยในดังที่กล่าวแล้วในสัธรรมนิพนนั่นแล ก็คือถ้ามีของของตนก็ทำให้ถ้าไม่มีก็แสงหาจากในที่ของญาตหรือว่าเที่ยวพิคขาจารวัดก็ถ้าพิจุนบรรดามาปรนิบัติอยู่ในวิหารยาถูกต้องคือไม่ต้องจับโดนเนื้อต้องตัวพึงทำบริกรรมทุกอย่างพึงให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนส่วนบิดาพึงบา ร, รุงทากิจทั้งหลาย มีการให้อาบน้ำและการนวดเป็นต้นด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างทำกับสา ม, มเณรชนเหล่าใดย่อบมบำรุงประคับประคองมารดาและบิดาที่สุขควรทำเพศสัตว์แม้แก่ชนเหล่านั้นอย่างนั้นเหมือนกันคนผู้ที่ชื่อว่าเป็นวิยาวิจารได้แก่ผู้รับเอาค่าจ้างแล้วตัดฟืนในป่าหรือทำการงานอะไรอะไรอย่างอื่น เมื่อเกิดโรคขึ้นแก่เขาภิกษุควรทำเพศัตย์ให้จนกว่าพวกญาติจะพบเห็นก็คือถ้าญาติของเขาพบเห็นเมื่อไหร่แล้วก็นำตัวไปก็หมดพันธะต่อกันส่วนผู้ใดเป็นเพียงคนอาศัยภิกษุทำการงานทุกอย่างภิกษุควรทำเพศัตยให้แก่คนคนนั้นเหมือนกันคือเขาจะรับค่าจ้างหรือไม่รับค่าจ้างก็แล้วแต่ก็ควรที่จะทำยาให้กับเขาในเมื่อมาทำการงานให้วัด แม้ในปัจุปรลาศก็ควรปฏิบัติเหมือนในสามเณรฉะนั้นก็คือคนที่เตรียมตัวจะบวชสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นนาคอันนี้ก็ทำยาให้ได้พิสูุควรทำยาให้แก่ชนสิบจำพวกแม้อื่นอีกก็คือหนึ่งพี่ชายสองน้องชายสามพี่หญิงสี่น้องหญิงห้านาหญิงหกป้าเจ็ดอาชาย แปดลุงเก้าอาหญิงสิบน้าชายก็คือพวกบรรดาญาติญาติทั้งหลายก็เมื่อจะทําให้แก่ชนมีพี่ชายเป็นต้นนั้นแม้ทั้งหมดควรเอาเพสัตอันเป็นของของคนเหล่านั้นนั่นแหลปรุงให้อย่างเดียวก็คือต้องเอาของของเขาจเจ้าของของตนยาของตนทันทีเลยไม่ได้แต่ถ้าสิ่งของของชนเหล่านั้นไม่เพียงพอ และชนเหล่านั้นก็ขอร้องอยู่ว่าท่านขอรับโปรดให้พวกกระผมเถิดพวกกระผมจะถวายคืนแก่พระคุณท่านควรให้เป็นของขอยืมคือไม่ให้ขาดมูลค่าต้องให้ยืมถึงหากพวกเขาไม่ขอร้องภิกษุควรพูดว่าอาตมามีเพศอยู่พวกท่านจงถือเอาเป็นของขอยืมเถิดหรือควรทําความผูกใจไว้ว่า สิ่งของของชนเหล่านั้นจักมีเมื่อใดเขาจักให้เมื่อนั้นอันนี้ต้องผูกใจไว้ด้วยนะแล้วพึงให้ไปก็ว่าถ้าเกิดไปบอกเขาบอกว่าให้ขอยืมนะแล้วเอามาใช้ภายหลังเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นคนที่หวงของหวงยาแต่ว่าถ้าชี้แจงให้เขาฟังว่าพระวินัยกำกับไว้ว่าอย่างนี้ก็คือไม่ให้ขาดมูลค่าเลยทันทีต้องให้เป็นของขอยืม อันนี้ก็ควรนะแล้วก็พึงให้ไปถ้าเขาคืนให้ควรรับเอาถ้าไม่คืนให้ก็ไม่ต้องทวงเพราะว่าอนุเคราะห์ญาติเว้นญาติสิบจาพวกเหล่านั้นเสียไม่ควรทำเพศัตวให้แก่ชนเหล่าอื่นมีพวกญาติไม่ใช่พวกที่เป็นพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่นี่ทำให้ได้เลยเอาอย่างตัวเองเนี่นะแต่ถ้าเป็นพวกญาตินี้ต้องให้เป็นของยืม แต่ เ, เขาไม่เอามาคืนก็ไม่ต้องทวงก็เมื่อพิษุใช้ให้ญาตินำจตุปัจจัยมาตราบเท่าจนถึงเจ็ดชั่วเคลือสกุลโดย ส, สืบกันมาแห่งบุตรของญาติจําพวกมีพี่ชายเป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นอากตะวิญยักษ์ก็คือไม่เป็นการขอที่เป็นวิญยัตษ์นะไม่มีอบัติ เมื่อทาเพศจั์แก่ชนเหล่านั้นก็ไม่จัดว่าเป็นเวชกรรมหรือไม่เป็นอาบัตเพราะปะทุสรายสกุลนี่ก็พลนจากอาบัตสาตัวนะถ้านำปัจจัยทั้งสี่เลยไม่ใช่เฉพาะใหญ่อย่างเดียวนำปัจจัยทั้งสี่มาจากญาติทั้งหลายเนี่ยช่วเจะเคลือสกุลเลยบรรดาญาติชนพวกไม่เป็นอากตวิญญาตคือไม่เป็นการเอ่ยปากขอที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัย แล้วก็ไม่เป็นเวชกรรมไม่เป็นการทายาให้ด้วยถ้าทายาให้คนเหล่านั้นแล้วก็ไม่เป็นการปฏทุสร้ายสกุลเพราะว่าเป็นญาติเป็นพวก้องพี่น้องของตนเองถ้าไปทำยาหรือว่าไปให้ของกับภูมิใช่ญาติก็เป็นการปทุสราสกุลถ้าไปขอของคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็เป็นอากตศวิญญาตแล้วก็ถ้าไปทายาให้ก็เป็นเวชกรรมด้วยนะ ถ้าพี่สะพายน้องสะพ้ายหรือพี่เขยน้องเขยเป็นไข้ถ้าเขาเป็นญาติจะทำเพสัตแก่หญตาแมนะ้เหล่านั้นก็ควรแต่ถ้าเขาไม่ใช่หา้พึงทำให้แก่พี่ชายและพี่หญิงด้วยสั่งว่าจงให้ในที่ปฏิบัติของพวกท่านอีกอย่างหนึ่งจะทำให้แก่บุตรของพวกเขาด้วยสั่งว่าจงให้แกม่มารดาและบิดาของพวกเจ้าเธอ ถึงทราบวินฉัยในบททั้งปวงโดยอุบายนี้พวกพี่สะพ้ายน้องสะภ้ยพี่เขยน้องเขยพวกนี้นี่ไม่จัดว่าเป็นญาตินะถ้าไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันนี้ไม่ได้เป็นญาติแต่ว่าจะทํายาให้กับลูกหรือว่าพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายได้แล้วก็ให้เขาเอาไปให้แก่ปริญาสามีของเขาหรือว่าให้แต่พ่อแม่ของเขาก็ได้ พิกสูเมื่อจะใช้สามเณรทั้งหลายให้นําเพศัตจากป่าเพื่อประโยชน์แก่พี่สะพ้ายน้องสะพ้ายเป็นต้นเหล่านั้นควรใช้พวกสามเณรที่เป็นญาติให้นํามาคือเป็นญาติของเขาด้วยหรือควรใช้ให้พวกสามเณรผู้มิใช่ญาตินํามาเพื่อประโยชน์แก่ตนคือนำมาให้กับพระปุตผู้ที่จะทํายาเนี่ยนะแล้วจึงให้ไปเพราะว่าเดี๋ยวสามเณรก็ ไม่ถูกต้องตามทวินัยด้วยแม้พวกสามเณรผู้ไม่ใช่ญาติเหล่านั้นควรนํามาด้วยหัวข้อวัดว่าพวกเราจะนํามาถวายพระอุปชาแม้สามเณรก็ไม่ควรทํายาหรือให้ยากแก่ผู้ที่ไม่ใช่ญาติโยมันดาและบิดาของพระอุปชาเป็นไข้มายังวิหารและพระอุปชาหลีกไปสู่ทิศเสียคือพ่อแม่ของอุปชาป่วยมายังวิหาร ไม่เจออุปชาไม่เจออาจารย์เนี่ยนะสัจธิวิหาริกควรให้เพศัตอันเป็นของของพระอุปชาก็ต้องเอาอยาของอุปชาให้ไปเอาอยาของตัวเองให้ไปยังไม่ได้ถ้าไม่มีควรสละเพสัตของตนถวายพระอุปชาแล้วให้ไปก็ไปให้แต่ญาติโยมทันทีเลยไม่ได้ต้องคิดว่าของนี้เราถวายแั่อุปชาก็แล้วกัน แล้วก็อของนั้นแหละไปให้กับญาติโยมผู้ที่เป็นพ่อแม่ของอุปชาโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหลแม้เมื่อของของตนก็ไม่มีควรแสวงหาทําให้เป็นของของพระอุปชาแล้วให้ไปให้พิกาจารย์ขอกับผู้ที่เป็นญาติหรือว่าไม่ใช่ญาติก็แล้วแต่แล้วก็ทําให้เป็นของอุปชาคือถวายพระปุปชาไปแล้วก็นําไปให้กับพ่อแม่ข อ, อุปชาที่หลัง แม้พระอุปชาก็ควรปฏิบัติอย่างนั้นแหละในโย ม, มานดาและบิดาของสัตวิหาริกในอาจารย์และอันเตวสิษย์ก็ในนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นการมีสติสัมชัญญาในการที่จะนำยาไปให้กับผู้ที่ไม่ใช่ญาติของตนแต่ว่าเป็นพ่อแม่ของอุปชาอาจารย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์สัตวิหาริกอันเทวสิษ์พวกนี้นะ บุคคลแม่อื่นใดคือคนจรนมาหมายถึงคนพระเนจร น, นะราชเสพพระเนจรมาหนึ่งจนหนึ่งอิสระชนผู้รบแพ้มาหนึ่งคือพวกทหารนะพวกอัมมาพระราชบริพารพระราชารบแพ้มาคนกำพ้าที่พวกญาติสละแล้วหนึ่งคนผู้เตรียมจะไปหนึ่งเป็นไข้เข้ามาสูวิหาร พิสุผู้ไม่หวังตอบแทนควรทำเป็สัตแก่คนทั้งหมดนั้นเพราะฉะนั้นก็แทบจะเรียกได้ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในวัดเนี่ยสามารถที่จะทำยาให้ได้ด้วยนะถ้าจัดอยู่ในบุคคลเหล่านี้ก็คือเป็นคนที่ซพัพย์เพเนจรมาอย่างหนึ่งเป็นโจรอย่างหนึ่งอิสระชนผู้แพ้รบคนกำพร้าที่พวกญาติสละ ก็คือคนที่ไม่มีว่านอนปลายเท้าคนที่กำพร้ายากจนเข็นใจพวกนี้ขัดสนเข็นใจแล้วก็คนที่จะเดินทางเตริณตัวจะไปหมายถึงคนที่กําลังจะเดินทางเนี่ยตระกูลที่มีศรัทธาบํารุงด้วยปัจจัยสี่ย้อมตั้งอยู่ในฐานเป็นเหมือนมาดานและบิดาของพิกสุสง์ถ้าในตระกูลนั้นมีคนบางคนเป็นไข้ จนทั้งหลายเรียนขอด้วยความวิสสาสะเพื่อประโยชน์แก่ผู้เป็นไข้นั้นว่าท่านขอรับขอพระคุณท่านทําเพศสัต์ให้เถิดไม่ควรให้ทั้งไม่ควรทําเลยก็ถ้าพวกเขารู้สิ่งที่ควรเรียนถามอย่างนี้ว่าท่านขอรับเขาปรุงเพศสัตย์อะไรแก่โรคชื่อนู้นทิกสุจะตอบว่าเขาเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้ทําเพศสัตย์ดังนี้ก็ควร เพราะฉะนั้นพระภิกษุก็ควรจะรู้วิธีการทํายาบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าพวกที่มาอุปถามดูแลสงฆ์นี่ป่วยมาขอยาในวัดนี้ก็ยังไม่ควรจะให้ทันทีนะเพราก็คงจะรู้สึกเหมอนกันว่าเอ๊ะทำไมพระพวกนี้ถึงตระหนี่ยาแล้วก็ไม่รู้จักกระตันอยู่บ้างเลยภูษามาดูแลอุปถาม ส, สงฆ์ก็ไม่ยอมให้ยา อันนี้ก็วิธีการแก้ก็ จ, จะเป็นไม่ได้ก็คือยาที่มันเหลือเฟือมากมายอยู่ในวัดนี่ก็นำไปสละแล้วก็อาจจะบอกโยมว่าอาตมาเนี่ยมียาแต่ว่ามันก็เก็บไว้นานแล้วก็จะหมดอายุอาตมาก็สละแล้วนะโยมไปพิจรารณาเองก็แล้วกันอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยตรงนะและเป็นการที่กระทาโดยที่ มีสติสัมปชัญญะที่จะรู้ว่ามีพระวินัยบัญญัติไว้ว่าไม่ควรจะให้ยาแกปูที่ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่เป็นญาติโดยตรงเนี่ยแต่ก็ทำไม่ให้ผิดพระวินัยเลยที่มีสติสัมปชัญญะก็เมื่อภิกษุถูกกระหัดเรียนถามอย่างนี้ว่าท่านขอรับมารดาของกระผมเป็นไข้ขอได้โปรดบอกเภษัตด้วยเถิดดังนี้ไม่ควรบอกเพราะว่าเดี๋ยวใครๆก็จะมาถาม เอาอยาเรื่อยๆอมาให้พระวิสุบอกอยาต่างๆแต่ว่าควรสนทนาถ้อยคำกับกันและกันว่าอาวุโสในโรคชนิดนี้ของพิษตุชื่อนี้เขาปรุงเพสัตรอะไรแก้พิษสูตรทั้งหลายก็จะเรียนว่าเขาเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้ปรุงเพสัตรแก้ขอรับก็ไม่เป็นการไปบอกกับโยมหรือว่ากระดับที่เขามาขอให้บอก ตัวยาหรือวิธีการทํายาเนี่ยเพราะว่าจะบอกไปอย่างนี้เดี๋ยวใครๆก็ต้องมาหาพระภิกสุพระพิกสุก็ไม่เป็นอันในการที่จะศึกษาไตรสิกขาปฏิบัติธรรมะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่บอกแต่ว่าถ้าไม่บอกไม่นุเคราะห์เลยก็จะใจดําเกินไปเพราะฉะนั้นสนทนาน ก, นกันกับพิกสุแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจบอกกับโยมหรือว่ากุฏหับนั้นหรอกนะไม่ได้บอกโดยตรงแต่ความจริงนะไอ้ความตั้งใจนี่อาจจะมีด้วยความการุณาเหมือนกับ ตอนที่มศกาละพราหมณ์เนี่ยมาทูลถามพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าช้าศิตรูจะไปรบกับพวกเจ้าฤาวีก็เลยมาดูท่าทางว่าพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรมาป้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระเจ้าชาศิตรูจะไปรบกับพวกเจ้าฤาวีแล้วพระพุทเจ้าก็เลยไม่ว่าอะไรกับพราหมณ์เลยนะแต่ว่าตรัสกับพระอนุนถึงอาาริหาริยธรรมเนี่ยนะว่า พระเจ้าดัชวีเนี่ยยังรักษาอปริหารนิยธรรมอยู่ธรรมะที่ทำให้ไม่เสื่อมอยู่หรือเปล่าพระนนทก็บอกว่ายังรักษาอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสอปริหานิยธรรมเจ็ดข้อเนี่ยนะก็จะไม่มีการเสื่อมเลยเพราะนั้นใครๆจะมารบก็ร บ, รบไม่ได้บรรดาและรามฟังแล้วก็เลยไปทูลกับพระเจ้าชาติศนะัตรูนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขายังรักษาอปริหานิยธรรมอยู่เนี่ย เขาก็จะไม่เสือนเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรในการที่จะไปรบควรในการที่จรทำสัมพันธรรมตรีหรือว่ายุยงให้แตกกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของพระาชสมขอให้บอกตัวยานี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่ควรจะบอกไปทันทีโดยตรงแต่ว่าควรจะสนทนากันกับพระบิณฑุว่าคนที่ก็เป็นโรคนี้เนี่ยเขาใช้ยาผสมกันอย่างนี้อย่างนี้ปรุงเภสัชอย่าง น, งางนี้อันนี้ก็เขาเฉลีย ป, ประจำใบรักษาเอง ฝ่ายชาวบ้านฟังคำสนทนานั้นแล้วย่อมปรุงเพสัตแกม่มารดาข้อที่ภิกษุสนทนากันนั่นย่อมควรได้ยินว่าพระมหาปฐุมเถระเมื่อพระเทวีของพระเจ้าวสพเกิดประชวนพระโรคขึ้นก็ถูกนางสนมคนหนึ่งมาเรียนถามท่านก็ไม่พูดว่าไม่รู้ดังนี้ในสนทนากับพวกภิกตุเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแล ข้าราชบริพาลฟังคำสนทนานั้นแล้วได้ปรุงเพศัตถวายแด่พระเทวีพระองค์นั้นและเมื่อพระโรคสงบลงแล้วข้าราชบริพาลได้บรรทุกเพศัตให้เต็มพระอบทั้งไตรจีวรด้วยและกะหาปณะสามร้อยนำไปวางไว้ใกล้เท้าของข้าเถระแล้วเรียนว่าท่านเจ้าข่าโปรดทำการบูชาด้วยดอกไม้เถิดก็ไม่ได้ไปถวายโดยตรงนะ ควจึงแนละ้ตั้งใจถวายแต่ว่าพูดถวายโดยตกไม่ได้แล้วก็บอกว่าให้บูชาด้วยดอกไม้สึงเหล่านี้นี่ไปบูชาแล้วก็ทําเป็นค่าดอกไม้บูชาบูชาพระเจดียต้นโพพวกนี้นะพระเถระคิดว่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนของอาจารย์แล้วให้วยยาวัจกรรับไว้ด้วยอํานาจเป็นของกัปปิยะได้ทําการบูชาด้วยดอกไม้แล้ว นี่ก็เป็นความฉลาดของการที่จะรักษาพระวินัยด้วยไม่ให้ผิดพระวินยัยแล้วก็อนุเคราะห์กับญาติโยมด้วยพิสษุควรปฏิบัติในเภสัชอย่างนี้ก่อนส่วนในเรื่องของพระปริศมีวินิจฉัยดังนี้เมื่อพิสษุ์ถูกชาวบ้านอารัธนาว่าโปรดทมพระปริตแต่คนไข้เธอขอรับดังนี้ยังไม่ควรทำแต่เมื่อเขาอารัธนาว่าโปรดสวรพระปริศเดิดควรสวด เพราะว่าถ้าไปสวจให้กับคนไข้ทันทีเลยก็เท่ากับว่าเป็นหมอแต่ว่าท้านก็ บ, บอกว่าขอให้สวดพระปริศเถร์ก็ตั้งใจจะบูชาพระรัตนตรัยก็สวดได้ถ้าแม้พิจิุนั้นมีความวิตกว่าธรรมดามนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่รู้เมื่อเราไม่ทำจะเป็นผู้ไม่สบายใจดังนี้ก็ควรทำแต่ว่าควรมนัศิกานี้ดี ส่วนเมื่อภิกษุถูกอรัธนาว่าโปรดทำน้าพระปริษเส้นได้พระประริษให้เถิดดังนี้ควรทำไม่ได้บอกให้ไปสวดให้กับคนป่วยคนไข้นะถ้าชาวบ้านไม่รู้ควรบอกพวกชาวบ้านรดน้ำลงบนเท้าของภิกษจ ท, ทั้งหลายผู้นั่งลงแล้วและวางเส้นได้ไว้แล้วจึงไปแล้วก็อรัธนาว่าโปรดทำปริษโปรดสวดปรริตก็ควรเอามือของตน กวนน้ำลูกขรัเส้นได้ของมนุษย์เหล่านั้นนั่นแลแล้วก็ให้ไปก็คือถ้าเขาเอาน้ำมาวางไว้ใกล้เท้าเลยนะเอามาวางไว้ใกล้เท้าหรือว่าเอาเส้นได้มาวางไว้แล้วก็บอกให้ทำพระปริศทำเส้นได้พระปริตเจ้าก็ให้เอามือกวนน้ำควนไปกวนมาหน่อยหนึ่งสวดพระปริตแล้วก็ลูกขรัเส้นได้ถ้าภิกษุให้น้ำจากวิหาร หรือเส้นได้ซึ่งเป็นของของตนเป็นอมตะทุกกฎเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาขออยู่เป็นประจำมานะไม่ให้ให้น้ำของตนหรือว่าจากวิหารหรือว่าเส้นได้ของตนเนี่ยนะไม่ให้ไปนะถ้าให้ต้องััตทุกกฎพวกชาบ้านถือน้าและเส้นได้กล่าวอยู่ว่าขอนิมณสวดพระประดิษฐ์เถิดดังนี้ภิกษุไม่พึงชักเท้าออกก็คือควรสวดให้นั่นเอง เพราะว่าพวกชาวบ้านจะเป็นผู้มีความเดือดร้อนใจพวกชาวบ้านส่งคนไปยังวิหารเพื่อประโยชน์แก่คนไข้าภายในบ้านด้วยสั่งว่าขอภิกษุทั้งหลายโปรดสวดท้าป ร, ริษดังนี้ภิกษุก็ควรสวดเมื่อโรคหรือความจันไรเกิดขึ้นในบ้านในพระราชวังของอิสระชนมี ก, กษัตริย์เป็นต้นรับสั่งให้อรัตนภิกษุมาแล้วนิมนต์ให้สวดทป ร, ริษเป็นต้น ภิกษุพึงสวดพระสูตรทั้งหลายมีอาตานาติยสูตรเป็นต้นแม้เมื่อพวกชาวบ้านส่งคนไปนิมนต์ว่าขอภิกษุทั้งหลายจงมาให้สิกขาบทแสดงธรรมหรือว่าจงมาให้สิกขาบทแสดงธรรมที่พระราชวังหลวงหรือที่เรือนของอมตะเถิดตามนี้ภิกษุควรไปให้สิกขาบทควรกล่าวธรรมแต่พวกชาวบ้านนิมนต์ว่าขอภิกษุทั้งหลาย จงมาเพื่อเป็นบริวารคือเป็นเพื่อนของคนตายไม่ควรไปถ้าจะให้มาเป็นเพื่อนศพเนี่ยนะไม่ไปแต่จะจะให้ไปกล่าวธรรมไปให้สิกขาบทเป็นแสดงธรรมอันนี้ควรไปพระสูจะไปด้วยมุ่งกรรมฐานเป็นหลักว่าเราจะได้มรณสติเพราะเห็นกระดูกในตาช้าและเพราะเห็นอนสุภดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็เป็นความฉลาดของพระพิจุนะว่า ถ้าเขามานิมนต์ให้เป็นบริวารเพื่อนคนตายพวกนี้เราก็มนักสการว่าเราจะไปเพื่อที่จะได้กรรมฐานได้มาทำหนสติไปดูกระดูกไปดูซากศพระดูดสุขภาพพวกนี้ก็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเขานิมนต์ไม่ถูกแต่พระพิสุ ก, ก็ทําให้ถูกได้หรือว่าแนะนําสอนเขาก็ได้พิสุไม่พึงทําร้ายแก่บุคคลผู้ถูกอามานุษย์ศิลด้วยข้ออ้างในอนาปติวาระมีประมาณเท่านี้ว่า ท่านกล่าวว่าแม้เมื่อให้การประหารแล้วตายไม่เป็นอาบัติแกพิจูผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตายก็คือประหารแล้วตายก็ไม่มีอาบัติเพราะว่าเจตนานี้ไม่ต้องการจะให้ตายต้องการที่จะให้ออกคือพวกอมนุษย์มาสิงมาสิงมนุษย์เนี่ยนะถ้าตีเคี่ยนพวกนี้นี่ไม่ควรไม่ควรจะตีไม่ควรจะเคียนนะ ก็ไปทำร้ายพวกมนุษย์นี่ก็มีอบัตตุการแต่ว่าถ้าเขาตายไม่เป็นปาราชิกเพราะว่าไม่มีเจตนาจะฆ่ามีเจตนาจะให้ออกเท่านั้นแต่ก็ควรที่จะผูกใบตานหรือได้พระปริ์ที่มือที่เทา้าพึงสวดพระปริษมีรัตนสูตรเป็นต้นพึงกระทำธรรมกัฐาว่าเจ้าอย่าเบียดเบียนทิษุผู้มีศีล หรือว่าพึงสวดอาตานาติยปริสอาตานาติยปริสนี้เป็นพระปริศที่ท้าวจตุมหาราชและก็ะคิเท้าเวสสุวันเนี่ยนํามาทูลถวายพระพุทธเจ้าให้บอกสอนแา่พระวิตรุเพื่อป้องกันอันตรายทั้งหลายนะก็ในเรื่องนี้พระวิกรุปุ่ทราบบริกรรมแห่งอาตานาติยปริสดังต่อไปนี้ อ, อาตานาติยะปริตเนี่ยยังไม่ควรจะสวด ท, ทันทีหรอกเวลาที่ผีเข้าเนี่ยอมนุษย์สิงนี่ต้องมีบริกรรมก่อนอันที่จริงไม่ควรสวดอาตานาติยะสูต ร, รก่อนทีเดียวควรสวดสูต ร, รเหล่านี้คือเมตสูต ร, รทชักขสูตรรัตนสูต ร, รตลอดเจดวันหากว่าผลไปได้ก็เป็นการดีถ้าพวกอมนุษย์พวกผีสิงเหล่านั้นออกไปก็ดี ถ้าหากไม่พ้นควรสวดอาตานาติยสูตรภิกษุผู้สวดอาตานาติยปริศหรือว่าอาตานาติยสูตรนั้นไม่ควรเคี้ยวแป้งหรือเนื้อไม่ควรอยู่ในป่าช้าถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าพวกอมนุษย์จะได้ช่องก็คืออมนุษย์นี่พอได้กลิ่นอาหารเหล่านั้นแล้วก็อาจจะจิตใจแขนกระด้างแล้วก็ไม่ยอมในการที่จะเชื่อฟัง สถานที่ทำพระปรริษควรให้ทำการฉาบฐาด้วยโคไมสดปูอาสนะให้เรียบร้อยณนะที่นั้นแล้วพึงนั่งภิกสุผู้กระทำพระปรริษอันชนทั้งหลายนำออกจากวิหารไปส่เรือนควรล้อมด้วยเครื่องป้องกันคือกระดาและอาวุธแล้วพึงนาไปไม่ควรนั่งส่วนในที่แจ้งภิกสุควรปิดประตูและหน้าต่างแล้วจึงนั่งแวดล้อม ด้วยผู้มีอาวุธในมือกระทำเมตตาจิตในเบื้องหน้าแล้วสวดก็ควรจะป้องกันอันตรายกาันเพราะว่ า, ามนุษย์บางประเภทเนี่ยเป็นผู้ที่ดื้อด้านเป็นผู้ที่หยาบคายเกเรมากดันก็ควรจะมีอาวุธป้องกันอันดับแรกควรให้รับศิกขาบทแล้วจึงสวดพระปริษแก่ผู้ตั้งอยู่ในศีลก็คือคนที่ถูกผีสิงเนี่ยนะถ้ายังพูดกับรู้เรื่องอยู่ หรืว่าอามนุษย์นั่นแหละก็ให้รับสิกขาบทหรือว่าถ้าเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นก็ให้รับสิกขาบทเขาจะได้ยินได้ฟังไปด้วยแม้อย่างนี้ก็ไม่สามารถจะพ้นไปได้คือผีสิงอมนุษย์สิงก็ยังไม่ออกไปก็ควรนําไปสู่วิหารให้นอนบนลานเจดีย์ให้ทําอาสนบูชาตามประทีปก็คือให้ไปบูชาพระเจดีย์ ปัดกวาดลานจะดีแล้วสวดมงค์ขนถาควรประกาศให้ภิกษุประชุมกันทั้งหมดใกล้วิหารมีต้นไม้ใหญ่ที่สุดอยู่เพราะว่าจะได้โกรเกรงต่อรุกเทวดาด้วยควรส่งข่าวไปนะต้นไม้นั้นว่าหมู่ภิกษุย่อมรอการมาของพวกท่านอานมนุษย์จะเข้ามาไม่ได้ในที่ที่ภิกษุประชุมกันมากพวกเทวดาก็จะมาห้อมล้อม จะมาฟังคำประกาศมาฟังพระปริศพวกอมนุษย์ก็จะเข้ามาไม่ได้แต่นั้นควรถามผู้ที่ถูกอมนุษย์สิงว่าเจ้าชื่ออะไรเมื่อเขาบอกชื่อแล้วควรเรียกชื่อทีเดียวก็คือพวกผีสิงหรืออมนุษย์นั่นนะกระถามเขาว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็เรียกชื่อเขาจะได้คุยกันรู้เรื่องเขาก็อาจจะมีจิตอ่อนโยนลงถ้าเรียกชื่อเขาด้วยความไพเราะเลยนะ ควรให้อามนุษย์ปล่อยโดยเกลี้ยกล่อมว่าส่วนบุญในการบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้นส่วนบุญในการบูชาอาสนะส่วนบุญในการถวายบิณฑบาตจะมีแก่เจ้าก็คือยกให้เจ้าหมู่พิษตุจะตวดมหามงคลคาถาเพื่อประโยชน์แก่บรรณการแก่เจ้าเขาจะบูชาสการะแก่เจ้าด้วยนะด้วยความเคารพในหมู่พิษตุขอเจ้าจงปล่อยเขาเถิด่อเกลียกกล่อมพูดดีดีดกอน าอามนุษย์ไม่ปล่อยควรบอกแก่เทวดาทั้งหลายว่าพวกท่านจะรู้ไว้เถิดอามนุษย์นี้ไม่ทําตามคําของพวกเราเราจะกระทําพุทธอาจยาดังนี้ควรสวดพระปริษก็คุยกันถ้าเกิดไม่ยอมออกดื้อด้านก็ชุมนุมเทวดาบอกเทวดาทั้งหลายให้รู้ว่าอามนุษย์นี้ดื้อด้านเจเริญไร้แรงมากแล้วก็สวดพระปริษ์พระปริษ์นี้มีอํานาจ เพราะว่าท้าวเวสสวนได้ทำกติกาไว้ว่าถ้าเกิดพวกอมนุษย์ใดที่ฟังอาตานาจิยสูแล้วไม่ประทำความอ่อนน้อมหรือว่าไม่เชื่อฟังเจเรไปเบียดเบียนคนอื่นก็นจะไม่ได้เข้าสมาคมแล้วก็จะถูกติเตียนจากพวกเวดาชั้นสูงอันนี้ก็เป็นบริกรรมของพวกเครหัดกรถ้าพิกตุถูกอมนุษย์สิงควรล้างอาสนะแล้วประกาศให้พิกตุที่ประชุมกันทั้งหมดทราบ ให้ส่วนบุญในการบูชามีของหอมและดอกไม้เป็นต้นแล้วเพื่อสวดพระปริษนี้เป็นบริกรรมของภิกษุดทั้งหลายพึงปฏิบัติในพระประิษฐ์อย่างนี้แหลก็สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีนะแต่สมัยก่อนก็คงจะมีโดยเฉพาะในที่ที่ไม่มีความเจริญปฏิบัติก็พอจะมีบ้านงนกันในหมู่ที่ไม่มีความเจริญทั้งหลายตามใกล้ป่าใกล้เขาทั้งหลายเนี่ยก็ยังพอจะมีอยู่ อันหนึ่งพื่ทราบวินิจฉัยในการปฏิสันถานดังต่อไปนี้ถามว่าอนามัติบินทะบาทควรให้แก่ใครไม่ควรให้แก่ใครอนามัติบินทบาทนี้ก็หมายถึงบินทบาทที่ยังไม่ได้จับต้องหรือว่ายังไม่ได้บริโภคยังไม่ได้ฉันเป็นบินทะบาทที่เลิศเนี่นนะก็ควรจะให้แก่ใครในเมื่อยังไม่ได้ฉันก่อนแก่ว่าควรให้แก่มารดาและบิดากร ก็หากว่าบิณฑบาตนั้นจะเป็นของมีราคาตั้งกหาปณะนะก็ไม่จัดว่าเป็นการยังศรัทธาไทยให้ตกไปถ้าเอาอาหารที่ยังไม่ฉันไปให้กับคนอื่นมีอาบัตทุกกฎทำให้ศรัทธาไทยตกไปแล้วก็ดีไม่ดีก็เป็นคุณละดูส ก, การประทุสร้ายสกุลด้วย ควรให้แม้แต่คนเหล่านี้ก็คือพวกคนบรมรงมารดาบิดาเวทย์วัชกรคนปันดุปราสคือผู้ที่เป็นหน้าที่กําลังจะบวชมรรดาคนเหล่านั้นสําหรับคนปันดุปราสจะใส่ในภานชนะให้ ก, ก็ควรก็คือให้ในบาทเลยก็ได้เว้นคนปันดุปราสน้ำเสียจะใส่ในบาทให้แก่ครื่องหัดเหล่าอื่นแม้เป็นมารดาบิดาก็ไม่ควร เพราะว่าเครื่องบริโภคของมรนมชิตตั้งอยู่ในฐานเป็นเจดีของพวกกษัตริย์คือพวกกษัตริย์นี้ต้องเคารพแม้บริขารถ้าตรายจีวรรประคตเอวบาทอะไรต่างๆของมรนมชิตด้วยแต่ถ้าเป็นปันญุปราชผู้ที่มุ่งจะบวชแล้วก็ให้บริโภคในบาทได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอนามัตตบินดบาทนี้พึงให้แก่โจรผู้ลือชื่อบ้าง ทั้งแต่อิสระชนบ้างกู้มาถึงเข้าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าชนเหล่านั้นแม้เมื่อไม่ให้ก็โกรธว่าภิกษุไม่ให้แม้เมื่อจับต้องให้ก็โกรธว่าพิกสุให้ของเป็นเดนก็คือของที่เหลือแล้วนี่ก็ไม่ควรทำไปให้เขาชนเหล่านั้นโกรธแล้วย่อมจะฆ่าเฉยบ้างย่อมทำอันตรายแก่พระศาสนาบ้างก็ในอธิการนี้พึ่แสดงเรื่องพระเจ้าโจรมา ผู้เที่ยวปรารถนาราชสมบัติเป็นอุทาหรณ์กิุควรปฏิบัติในอนามัตบินทบาทนางพันนามาชนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะถามว่าปฏิสันฐานควรทำแก่ใครไม่ควรทำแก่ใครตอบว่าชื่อว่าปฏิสันฐานอันทิุควรทำแก่ทุกทุกคนที่มาถึงวิหารจะเป็นคนจอนมาเป็นคนเข็นใจเป็นโจร หรือเป็นอิสระชนก็ตามถามว่าพึงทำอย่างไรตอบว่าเห็นอาคันตุกะทั้งหมดสเบียงหมดลงมาถึงวิหารพึงให้น้ําดื่มก่อนด้วยการเชื้อเชิญว่าเชิญดื่มน้าเธอจึงให้น้ํามันถาเท้าอาคันตุกะมาในการพึงให้ข้าวยากูและพัดอาคันตุกะมาในเวลาวิการถ้าข้าวสารมีพึงให้ข้าวสาร ไม่ควรพูดว่าท่านมาถึงในกราวไม่ใช่เวลาจงไปเสียไม่ควรพูดอย่างนี้นะนี่หมายถึงว่าคันตุกะผู้ที่เป็นกษัตริย์ผู้ที่เป็นอินสระชนหรือว่าคนจรมาเหล่านั้นนะไม่ใช่พระภิกษุพระพิสุนี้ไม่เอาอาหารถวายในเวลาวิการแล้วแล้วก็พึงให้ที่นอนด้วยถ้าเขามาขอพักก็ควรจะให้จะไม่ให้มีเขากอาจจะทําร้ายหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีตอบ เพจตุไม่ควรหวังความตอบแทนควรทำกิจทุกอย่างไม่ควรให้ความคิดเกิดขึ้นว่าธรรมดามนุษย์ผู้ให้ปัจจัยตีเมื่อเราทาการสองเคราะห์อยู่อย่างนี้จากเลื่อมใสทาอุปการะบ่อยๆก็คืออย่าไปหวังสิ่งตอบแทนอะไรจากญาติโยมที่เข้ามาพักในวัดหรือว่าที่เราไปทำปฏิสันฐานถึงแม้วัตถุของสงฆ์ก็ควรให้แก่พวกโจรได้ และเพื่อแสดงอานิสงฆ์ในการปฏิสันถานพระอัตถกถาจารย์จึงเป่าเรื่องไว้หลายเรื่องในมหาอัตถกถาโดยพิสดารมีอาทิอย่างนี้คือเรื่องพระเจ้าโจรนาเรื่องพระเจ้ามหานาผู้เสด็จไปชมภูทวีปพร้อมกับพระราชพาดาเรื่องอมารีนายในรัชสมัยแห่งพระเจ้าปิตุราชแล้วก็เรื่องโจรชื่ออภัย ในอุทาหรเหล่านั้นข้าพเจ้าจะแสดงเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรนดังต่อไปนี้ดังได้สะดับมาในเกาะสิงหผลอภัยโจรก็คือโจรชื่ออภัยเนี่ยมีบริวารประมาณห้าร้อยคนตั้งค่ายอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งทำประชาชนให้อพยพไปตลอดที่มีประมาณ km, สามโยศโยศหนึ่งสิบหกกิโลเมตรสามโยศก็ส8สิกิโลเมตรชาวบ้านก็แห่หนีกันไปโดยรอบ ชาวมืองอนุราทบุรีข้าแม่น้ำกัลลำพระนาทีไม่ได้ในทางไปเจติยะคีรีวิหารขาดการสัญจรไปมาของประชาชนต่อมาวันหนึ่งโจรได้ไปด้วยหมายใจว่าจะปล้นเจติยะคีรีวิหารโจรนี้ก็ใจอยากชามากคิดจะปล้นวัดวัดก็คงจะมีวัตถุสิ่งของเยอะแยะละ พวกคนวัดเห็นจึงบอกแก่พระขีฆาพานกัะอภัยเถระพระเถระถามว่าเนยใสแน่น้าอ้อยเป็นต้นมีไม้พวกคนวัดตอบว่ามีขอรับพระเถระสั่งว่าพวกท่านจงให้แก่พวกโจรพระเถระถามว่าข้าวสารมีไหมพวกคนวัดก็ตอบว่ามีขอรับข้าวสารผักดองและโครสที่เขานํามาเพื่อประโยชน์แก่สงอันนี้เขาจะถวายสงเลยนะ พระเถระกล่าวว่าพวกท่านจงจัดพัดให้แก่พวกโจรพวกคนวัดทำตามพระเถระสั่งแล้วพวกโจรบริโภคพัดแล้วจึงถามว่าใครทำการปฏิสันฐานคือใครเป็นคนสั่งให้มาต้อนรับอย่างนี้พวกคนวัดตอบว่าพระอภัยเถระผู้เป็นเจ้าของพวกเราสั่งให้ปฏิสันฐานพวกโจรไปยังสำนักของพระเถระไหว้แล้วกราบเรียนว่าพวกกระผมมาด้วยหมายใจว่า จะล้นเอาของสงและของเจดีแตกลับเรื่อมใสด้วยปฏิสันถานนี้ของพวกท่านตั้งแต่วันนี้ไปการรักษาที่ชอบทำในพระวิหารจงเป็นหน้าที่ของพวกกระผมพวกชาวเมืองจงมาถวายทานจงไหวพระเจดีและตั้งแต่วันนั้นมาเมื่อชาวเมืองมาถวายทานพวกโจรก็ไปต้อนรับถึงริมฝั่งแม่น้ำทีเดียวคอยรักษานาไปพระวิหาร เมื่อพวกชาวเมืองกำลังถวายทานอยู่ในพระวิหารก็พากันยืนทำการรักษาอยู่แมณชาวเมืองเหล่านั้นก็ให้พักที่เหลือที่ตึกสูงทั้งหลายชั้นแล้วแก่พวกโจรแม้ในเวลากลับไปพวกโจรเหล่านั้นก็ช่วยส่งชาวเมืองถึงบริมฝั่งแม่น้ำแล้วจึงกลับก็ได้อนุสงมากเลยนะกลายเป็นผู้ที่อารักขาแต่พวกประชาชนทั้งหลายที่มาทำบุญที่วัดและวัดก็ปลอดภัยด้วย ต่อมาวันหนึ่งเกิดคำค้อนขอดขึ้นในหมู่พิกตุว่าพระเถระได้ให้ของของสงแต่พวกโจรเพราะถือว่าตัวเป็นใหญ่ถ้าเอาของสงไปให้กับคนอื่นด้วยถือว่าตัวเป็นใหญ่นี้ต้องอบัติทุลใจถ้าให้ครุพันธ์ของสงต้องอบัติตุลจใจธรรมดาให้ไปก็อบัตทุกฏของสงนั้นชื่อว่าไม่เป็นการให้ด้วยถ้าเป็นครุพันธ์นี้เอภิแจกไม่ได้ต้องอบัติทุลใจ พระเทระสั่งให้ทำการประชุมสงฆ์แล้วกล่าวว่าพวกโจรพากันมาด้วยหมายใจว่าจะปล้นเอาทรัพย์ค่าอาหารตามปกติของสงฆ์และของเจดีย์เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงได้ทำปฏิสนถฐานแต่พวกโจรเหล่านั้นซึ่งมีประมาณเท่านี้ด้วยคิดเห็นว่าพวกโจรจักไม่ปล้นด้วยอาการอย่างนี้ พวกท่านจงประมวลสินของนั้นแม้ทั้งหมดรวมกันเข้าแล้วให้ตีราคาจงประมวลสินของที่พวกโจรไม่ปล้นไปรวมกันเข้าแล้วให้ตีราคาก็าคือให้เทียบกันดูว่าของที่ให้โจรไปกับของที่มีอยู่ในวัดทั้งหมดเนี่ยอันไหนมากกว่ากันทรัพย์ที่พระเสด็จให้ไปแม้ทั้งหมดจากทรัพย์ของสองนั้นมีราคาไม่เท่าเครื่องราชอันวิจิตรได้รูปภาพอันงามผืนหนึ่งในเรือนพระเจดีย์ ลำดับนั้นที่สูตทั้งหลายกล่าวว่าปฏิสันฐานที่พระเถระทำแล้วเป็นอันทำชอบแล้วคลใครๆไม่ได้เพื่อจะโจทย์หรือเพื่อทำให้ท่านให้การไม่มีสิ่นใช้หรืออวหารคือไม่เป็นการละปฏิสันฐานมีอนิสงส์มากอย่างนี้ทิกสูผู้เป็นบัณฑิตกำหนดเหตุดังกล่าวมานี้แล้วควรทำปฏิสันฐานเถิดชะนี้แล คถาวินิจฉัยเรื่องการทำเพศเป็นต้นในบาลีมุตตะวินิจฉัยในวิเนยะวินิจฉัยสังคหะจบสําหรับการปฏิสันถานนี้ก็เป็นการคาระวะด้วยนะเป็นความเคารพซึ่งความเคารพนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งศิริจุทั้งหลายคาระวะตานั้นมีหกอย่างก็คือข้อที่หนึ่งสัตถุคาระวะตาความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระศาสนา ข้อที่สองก็ธรรมคารวตาความเคารพในพระธรรมข้อที่สามสังฆคารวตาความเคารพในพระสงฆ์ข้อที่สี่สิกขาคารวตาความเคารพในไตรสิกขาสิทธิสมบที่ปัญญาข้อที่ห้าอาปามาทะคารวตาความเคารพในความไม่ประมาทก็คือใยในการเจริญกุศลทุกเมื่อโดยเฉพาะสมถาวิปัสนาข้อที่หกก็ปฏิสันถาราคารวตาก็คือ เป็นผู้ที่มีความเคารพในการเนี้ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาในวัดด้วยปฏิสันทารสองอย่างก็คือทั้งอาหมิสปฏิสันทารแล้วก็ธรรมะปฏิสันทารการแจกของส่งนี้หรือว่าการเอาของส่งไปให้คนอื่นนี้มีโทษถ้าเป็นครูพันนี้ต้องอบัติุลใจถ้าไม่ใช่ครูพันก็มีอบัติทุกฏก็สรุปว่าพิกษุทํายาให้ได้กับบุคคลทั้งหมดยี่สิบหกจำพวกเลยนะ แต่ว่าเป็นสี่กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกหมายถือธรรมิกห้าพิสูิพิสูนีสิกขมามนาสั ม, มเนธสั ม, มเนรีห้าบุคคลนี้ทํายาให้ไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งนั้นเลยถ้าเป็นผู้ที่มีศีลมีทิฏฐิเสมอกันถ้าเป็นผู้ทุศีนนี้ต้องมาใคกล้วรวนดูอีกหน่อยหนึ่งกลุ่มนี้สองก็คือมารดาบิดาเป็นต้นก็ได้แก่มารดาบิดา คนบำรุงมนดาบีตาเวญ ย, ยาวัชกรของตนแล้วก็ปันุปราชคือคนที่เป็นนาคมุ่งจะบวชส่วนกลุ่มที่สามก็ได้แก่กลุ่มญาติเจ็ดชั่วสกุลมีสิบประเภทก็คือพวกพี่น้องหญิงสองแล้วนะพี่น้องชายสองน้าอาหญิงสองแล้วก็น้าแล้วก็อาชายสองแล้วก็ลุงป้าอสองแต่ว่าต้อง ใช้ยาของญาติทําให้ไปหรือว่าถือว่าเป็นของขอยืมให้เป็นของขอยืมไม่ให้ขาดเลยแต่ว่าถ้าเขาเอามาคืนก็ดีก็รับเอาถ้าเขาไม่เอามาคืนก็ไม่ต้องทวงส่วนกลุ่มที่สี่มีหกบุคคลด้วยกันก็คือกลุ่มของอาคันตุ ก, กะเป็นต้นได้ แ, แก่คนจรมาอย่างหนึ่งโจรอย่างหนึ่งอิสรชนผู้แพ้รบคนกําพร้าไร่ญาติขาดมีดแล้วก็คนผู้เตรียมจะไปคือพวกที่เป็นขมิกะ เตร็ยเดินทางอันสุดท้ายก็คือคนที่เป็นไข้เข้ามาสู่วิหารเนี่ยนะก็ควรที่จะให้ไปถ้าเข้าประเด็นทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอาบัติมีโทษจงกลงก็ทำได้กับบุคคลถึง26จำพวกสำหรับการทำยาหรือว่าให้ยาไปอันนี้ก็จบสาธุสาธุสาธุ